ผู้หญิงนีนาและพี่น้องเซนทอร์กาละครั้งหนึ่งนอกเหนือจากพีรามิดทะเลสีแดงหอคอยที่สัมผัสกับท้องฟ้ายังมีผืนป่าสีม่วงเรียกว่าดินแดนมิราโคมิราโคแลนด์เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่งดงามในโลกและได้รับการปกป้องจากโดมฟองสบู่เวทมนต์ ทำให้ล่องหนจากส่วนอื่นในโลกดินแดนมิราโคถูกปกครองโดยพี่น้องเซนทอร์ครึ่งคนครึ่งมา้าพเกอร์เซนเดอร์เป็นชายคนโตเขาฉลาดที่สุดในสามคนเขาทำการตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมายและความเรียบร้อยทั้งหมดในอาณาจักรแต่เขาก็เป็นคนที่อารมณ์เสียได้ง่ายมาก พี่คนที่สองโลราโดเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเขารับผิดชอบในการป้องกันโดงเวทมนต์จากผู้บุกรุกน้องคนเล็กที่สุดแอเรียเขารูปงามที่สุดในอนาณาจักรเขามีสเสน่ห์มากนางเงือกนางฟ้าและมังกรสาวต่างปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องตกหลุมรักเขาแอเรียเป็นผู้ดูแลเวทมนต์และคอยรับรองว่า ไม่มีผู้ใดใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดด้วยการปกครองของสามพี่น้องเซนทอร์ทำให้ผู้คนในดินแดนมิราโคเต็มไปด้วยความสงบสุขเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงมันเป็นเวลาแห่งการแข่งขันจ้มเวทผู้ยิ่งใหญ่แม่มดและพ่อมดจากส่วนต่างๆในมิราโคต่างเข้ามาร่วมกัน พี่น้องเส้นทอจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ในดินแดนเป็นผู้ตัดสินฟงชนรอคอยอย่างดีใจคนแรกสไพร์เดมเซลผู้ค้งคำนับต่อหน้าพี่น้องแล้วสร้างกำแพงที่มีรูปร่างเหมือนกับเพเกอเซนเดอร์บนแก้วของเพเกอเซนเดอร์เพกอเซนเดอร์ยิ้ม และฟุงชนก็ส่งเสียงเชียร์วู้ว้ว้วววัดมาคือเงืออเขียวมาพร้อมกับถังน้ำขึ้นที่เขาโค้งคาน้ำต่อพี่น้องและสร้างฟองสบู่ขึ้นไปในอากาศจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปเขาย่อตัวเป็นร่างเล็กๆและเข้าไปอยู่ในฟองสบู่ เมื่อฟองสงบู่มารวมกันก็ปรากฏขนาดจริงของเมือกเขียวฟุงชนต่างส่งเสียงเชียร์เฮ้ยเยเยเยเยพซนเดอร์มองไปที่โดราโลและพยักหน้าต่อมาคือสิงโตคางคกเขาสามารถกระโดดเด้งแบบที่ไม่มีใครเคยทำได้จากนั้นสาวมังกรตามมาด้วยนางฟ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันและฟุงชนต่างชื่นชอบในที่สุด เริ่มพูดคุยกันว่าใครจะเป็นผู้ช น, นะทันใดนั้นพวกเขาได้ยินบางคนเรียกขึ้นสวัสดีมีใครอยู่ไหมข้าคิดว่าเอิคาดหลงทางมีผู้บุกรุกเอรียนเริ่มขยับกทถาของเขาแต่ก่อนที่เขาจะไร้เวทมนต์หญิงสาวที่งดงามได้ปรากฏตัวออกมาและเขาก็หยุดชะ ง, งักลงไปหญิงสาวตั้งกายด้วยชุดสีฟ้าที่งดงามราวกับเป็นเจ้าหญิง โอ้เริ่ม อ, อบทิศพออยิงสาวล้มๆหมดสุดชาวเมริเคนทั้งหมดล้อมดูเธอด้วยความหวาดกลัวมนุษย์เข้ามาในไม่ราโคไดตยังไงกันโดรโลบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและตาหารของเขาก็บินตามขึ้นไป ขณะเดียวกันแอรเรียนปิดตาของเขาและแตะนิ้วไปที่นีนา่าเจ้าเห็นอะไรรู้แค่ชื่อของเธอเจ้าหญิงนีนา่าแต่ไม่เห็นอะไรอีกความทรงจำของเธอเลือนลางทหารนำตัวเธอไปยังคุกขังเธอไว้จนกว่าโดเรโร่จะพบว่าผู้บุกรุกดีคือใครและเธอต้องการอะไรทหารใช้เวทมนต์ของพวกเขาและพาเจ้าหญิงนีนา่าที่หมดสติมายังคุกที่รออยู่บนอากาศ น, นั้นโดเรโลโกลับมาหาพี่น้องของเขาและอธิบายว่าไม่รู้ว่าเจ้าหญิงนีนาเข้ามาที่ดินดแดนมิร์คาลได้อย่างไรดมเวทมน์ถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์จากทุกๆุกด้านเราต้องตรวจสอบต่อไปมนุษย์เข้ามาในดินแดนของเราไม่เคยเกิดขึ้นเราต้องวางแผนเรื่องนี้จนกว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นนักโทษโดเรเลโอพยักหน้าและออกไป ในขณะที่แอเรียลดูกังวลหลังจากคืนนั้นแอเรียลใช้เวทมนต์มายัางคุกที่นีน่าถูกขังอยู่เธอนอนร้องไห้และเมื่อเธอเห็นแอเรียลเธอล้มลงบนเท้าของเขานิปลอดปล่อยข้าไปเถอะข้านี่ทำอะไรผิดเลยและข้าไม่มีทางทำแน่นอนข้าถูกพายุที่ทำลายอาณาจักรของข้าพัดมาปล่อยข้าไปเถอะนะอ้อดิปลอดนะักขี่มา้า เมื่อได้ยินเธอเรียกเขาว่านักขี่ม้าแอรเรียลจึงหัวเราะเบาๆไม่ต้องห่วงท่านหญิงตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าท่านคือใครข้าจะไปบอกพี่น้องของข้าให้พวกเขาปล่อยตัวท่านขอบคุณท่านมากนะักขี่ม้าท่านช่วยกรนาไปบอกพวกเขาตอนนี้ที่ได้ไหมในคุกทำให้ข้าหายใจลำบากข้าต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์ พี่ชายคนโตของข้าเพกาเซนเดอร์หลับอยู่และเขาไม่อนุญาตให้ใครรบกวนตอนหลับแต่ไม่ต้องห่วงนะด้วยเวทมนต์ของข้าเนี่ยข้าจะพาท่านไปที่สวนสูตรอากาศบริสุทธิ์ใต้แสงดาวและก่อนถึงเช้าเราค่อยกลับมาที่คุกและไปบอกพี่ชายของข้าเกี่ยวกับท่านท่านทั้งมีแม่ตอนักขี่มา้าข้างเข่าขี้เศร้าที่กาลังนอนห้อยหัวอยู่ในคุก ได้กลืนน้ำลายขอข้างนอนได้ไหมนี่โทษทีข้างเข่าขี้เศร้าพวกเราไม่รบกวนแล้วแอรีรยนพร้อมกับไม้คทาเปิดประตูที่ส่องสว่างออกเขาทั้งสองกุ้มมือกันออกจากคุกข้างเข่าขี้เศร้าหลับตาพร้อมกับบนอุบอิบค่อยอย่างชัว่ว ข้างนอกพระจันทร์ส่องสว่างและดวงดาวก็งดงามอย่างที่เคยเป็นแอรเรียนใช้ไม้คาถาเปลี่ยนเป็นมนุษย์นี่หน้ามองดูเขาด้วยความกังวลภายใต้แสงจันทร์เท่านั้นที่ให้เห็นใบหน้าเขาชัดเจนเธอตกลุ่มรักเขาทันทีทั้งสองนอนบนหญ้าที่อ่อนนุม่มและมองดูดาวโดยไม่มีคำพูดใดนิ้วของพวกเขาเกี่ยวพันกัน และกุมมือกันสายลมเอื่อยๆพัดผมของพวกเขาพลิ้วไหวแล้วทั้งสองก็พลอยหลับไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทหารบีบเข้าไปห้องพิจารณาคดีและรายงานเพกาเซนเดอร์ว่าเจ้าหญิงนีน่าได้หายตัวไปพี่ใหญ่ไม่ต้องกังวล น, นะผู้หญิงไปได้ไม่ไกลหรอกข้าจะพานางกลับมา ไม่ข้าจะจับนักโทษ ด, ด้วยมือของข้าเองทหารรายงานแกแอรี่ให้ไปพบเราทันทีพวกเราจะออกไปตามตัวนักโทษทหารยอมรับคำสั่งและสองพี่น้องเซนทอร์ก็บินออกมาในขณะเดียวกันแอรี่และนีนา่าตื่นขึ้นมาเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องมาที่หน้าทั้งสองยิ้มให้กันข้าดีใจกับมิตภาพของท่านมาอแอรี่ ท, ทั้งสองยิ้มแลกสวมกอดกันความอบอุ่นจากอ้อมกอดของเธอทำให้อเรีเลกลับมาเป็นเซนทอร์อีกครั้งหนึ่งพพกาเซนเดอร์และโคเรโลมองหาเจ้าหญิงทังในใดนั้นก็มองเห็นพวกเขาเจ้าคนทรยศอารียลและนิน่าไปหาพวกเขาขณะ ท, ที่พวกเขาลงบนพื้นเรียกกันเพกาเซนเดอร์ปลดดาบออกแล้ววางบนบ่าของอารียล เจ้าหักหลังเราผู้หญิงคนนี้มีค่ามากกว่าพี่น้องของเจ้าและดินแดนของเจ้าอย่างนั้นเหรอพี่ใหญ่ได้โปรดเอให้ข้าอธิบายก่อนเจ้าไม่จําเป็นจะต้องอธิบายใดๆเพราะพวกเราได้เห็นทั้งหมดด้วยดวงตาแล้วเขาเดินตรงไปและคว้าไม้คทาของแอริเลจากมือของเขาข้าจะตัดสินให้เจ้าตายหากเจ้าไม่ใช่น้องของข้าแต่ข้าคิดว่านี่ถือเป็นบทลงโทษทีด่ดีกว่าสำหรับเจ้า เฮกัสเซเดอร์ที่ไม้คาทาไปที่แอริเลและดึงเวทมนต์ทั้งหมดออกมาในไม่ช้าเจ้าต้องถูกในประเทศเออกจากมิราโคและเมื่อเจ้าออกจากโดมแห่งนี้เจ้าจะต้องกลายเป็นมนุษย์เพราะเจ้ายอมแพ้เพื่อผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเออพี่ใหญการตัดสินใจของพี่ยายถือเป็นสิ้นสุดนะออกไปแอริเลและนินนาหันหลังและออกมาหลังจากที่ก้าออกมาจากโดมเขาได้กลายเป็นมนุษย์ ทั้งสองกุมมือกันและไปให้ไกลจากดินแดนมิรักเคลิลและแอรเรียลรู้สึกเศร้าใจมากนีนาททอตัวเองว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นความผิดของเธอหลังจากวันนั้นพวกเขาพักใกล้กับแม่น้ำเพื่อกินผลไม้และดื่มน้ำไม่นานนักวิญญาณสองคำตัวได้ปรากฏขึ้นพวกมันหัวเราะยาะอย่างชั่วร้าย <c oughs> วันหน้าของพวกมันชาโดฮาเป็นวิญญาณที่ร้ายกาจที่สุด <c oughs> แอรียนเ้นทอรูปงามยู่ขานอกกับมนุษย์ผู้หญิงงั้นคงจริงสินนะที่เจ้านะ่ะถูกในระเทศจากมิราโก้นีน่าหลบข้างหลังแอรียลเขามองชาโดฮาด้วยความโกรธโอ้อย่ากโกรธกันสิ ข้ามาที่นี่เพื่อเสนอให้เจ้าเข้าร่วมกับข้าข้าจะสอนเวทมนต์คาถาให้เจ้าพวกเราจะร่วมกันจงตีดินแดนมิรากโคลและปกครองอย่างลาช่าแค่เจ้ากับข้าข้าไม่มีวันทรยศพี่ชายของข้าหรอกโอ้ยังโง่ไปหน่อยเลยพี่ชายของเจ้าโยนเจ้าออกมาจากบ้านยังไม่เข้าใจอีกเหรอเพกาเซนเดอร์ไม่ต้องการให้ใครครองบัลลังนอกจากเขาย้อนกลับไปที่ดินแดนมิรักโคลข้างข้าวขี้เซา ได้ยินทุกอย่างจากทหารแปรีไปพบกับเพกาเซนเดอร์ทันทีเพื่ออธิบายทุกอย่างโอ้ฟาบาร์แรียนและเจ้าหญิงนั้นบริสุทธิ์นกชายท่านไม่ต้องการรบกวนเวลานอนท่านและรอให้ถึงตอนเช้าถึงจะรายงานแก่ท่านอย่างไงละ่ะเพกาเซนเดอร์รู้สึกละอายเก่ียใจเขามองที่โดราโลและพูดว่าโดราโลข้าทำความผิดครั้งใหญ่หลวง เราต้องรีบไปพาน้องชายเรากลับมาแล้วเจ้าเอาชีวิตข้าไปก็ได้แต่ข้าจะไม่มีวันเชื่อเจ้าและไม่หักหลังพี่ชายเด็ดคาดงั้นก็เจ้าทำให้ข้าไม่มีทางเลือกชาดูฮปล่อยเวทมนต์สีดำพุ่งข้างหน้าแอริเลแต่นินานาเข้ามาข้างหน้าและขวางเอาไว้รับแทนโจมตีแทนนีนนาไม่จากนั้นเพกเซนเดอ และโดเรโลเขามาปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่จากพระทาของพวกเขาวิญญาณชั่วร้ายและชาโดฮากลายเป็นผุยผงเพกาเซนเดอร์ <P ek as ander> และโดเรลโลบิลงมาหาแอรีรยลที่กำลังร้องไห้กับร่างของนินนาเพกาเซนเดอร์ <P ek as ander> ใช้เวทมนต์ชุบชีวิตเธอนินนาลืมตาขึ้นมาช้าๆและแอรีเลก็ดีใจมากๆขอบคุณท่านมากพี่ใหญ่ไม่ต้องขอบคุณข้าหรอก มันเล็กน้อยสำหรับความผิดที่ข้าในรัเทศเจ้าออกมาโดยไม่ให้โอกาสเจ้าใดพูดท่านทำในสิ่งที่พระราชาควรทำและนั่นแหละที่เรามองท่านเพกเซนเดอร์และแอรียอลกอดกันข้าดีใจที่ท่านคือนดีกับพี่ชายของท่านแเรีเอลได้โปรดอนุญาตให้ข้าไปเถอะท่านไปไหนไม่ได้นะข้ารักท่านอ่ะข้าก็รักท่านแต่ว่าข้าไม่เหมาะสมกับท่าน ถ้เป็นมนุษย์มีแต่จะหาปัญหาให้กับท่านปปเปล่ากลับไปที่อาณาจักรของท่านเถอะเป็นเซนทอร์ที่ ง, งียบงันอย่างที่ท่านเป็นน้ำตาของแอลเรียวและนินนาไหลออกจากดวงตาดูข้าสิข้าไม่ใช่เซนทอร์อีกแล้วข้าเป็นผู้ชายท่านนําน้องชายของท่านไปเถอะเขาไม่ยอมฟังที่ข้าพูดเลยและเขาก็คงไม่ฟังข้า พูเช่นนั้นเพกาเซนเดอร์ก็ขยับไม้คาตาของเขาเพื่อเรียกราชาแห่งพายุใบ ไ, ไม้เรือหมุนวนและท่ในนั้นก็ปรากฏร่างที่ร้อมรอบไปด้วยสายลมเพกาเซนเดอร์ผู้ยิงใหญ่ท า, เ, า, รทาเรียกข้ามาเพิ่งใดความเครียกราดของเจ้าทำลายอนาคตของเจ้าหญิงนีนาและคนที่เธอรักข้าต้องการให้เจ้าขืนทุกอย่างให้เป็นแบบเดิมเจ้าต้องแจ้งข่าวให้พ่อของนางพระราชาด้วย ว่าเธอสบายดีและแต่งงานกับน้องชายคนเล็กของข้าแอเรียลบอกพวกเขาว่าข้าเชิญพวกเขามางานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ราชาแห่งพายุพยักเ์หน้าและหายไปเจ้าหญิงนีนากระโดดกอดเพกาเซนเดอร์ด้วยความดีใจเพกาเซนเดอร์ยังคงทำหน้าที่ซื่อตรงอย่างที่เคยทำร่วมถึงแอรเรียลและโดเรลคขข้าขอโทษ น, นะท่าน <ST>. เพกาเซนเดอร์คืนพลังเวทให้กับแอริเลเขาสามารถกลายล่างเป็นเซนทอร์และมนุษย์ได้ตลอดเวลางานแต่งงานถูกจัดขึ้นและทุกๆคนในดินแดนมิราเคิลต่างปลื้มปิติสำหรับเพกาเซนเดอร์เขาไม่เคยด่วนสรุปผลลัพธ์ก่อนที่จะตัดสินใจ